เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาคุณามใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่างนี้ ให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจยอย่างสูงสุดด้วยการมาสร้างสาระมาสร้างที่พึ่งทางใจเพราะชีวิตของเรานั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกันมีร่างกายและมีจิตใ จ, จสาระที่พึ่งทางกายคือปัจจัยสพวกเราก็มีพร้อม บริบูรณ์กันแล้วเรามีบ้านอยู่มีเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้าไว้สวมใส่มียารักษาโรคไว้รักษาโรคภยคัยไข้เจ็บต่างๆและมีอาหารไว้รับประทานอย่างพอเพียงถ้าเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์แล้วก็ถือว่าเรามีที่พึ่งทางกาย แล้วชีวิตของเราปลอดภัยอย่างแน่นอนจนกว่าจะถึงอายุเขยของเขาส่วนใจของเรนี้ยังไม่มีที่พึ่งอย่างแท้จริงที่พึ่งที่เราคิดว่าเรามีนี้ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงเช่นเราเป็นชาวพุทธเราก็ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจ แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราถือเป็นที่พึ่งนี้ยังอยู่ภายนอกใจของเรายังไม่ได้เข้ามาสู่ในใจเหมือนยาที่ยังอยู่ข้างนอกร่างกายยังไม่ได้รับประทานเข้ามาในร่างกายต่อให้ยาจะวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าคนไข้ไม่รับประทานยายาก็ไม่สามารถช่วยคนไข้ไม่สามารถรักษา ให้คนไข้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ฉันใดพระ ส, สระณะที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้จะเป็นที่พึ่งอันเลิศอันประเสริฐที่สามารถทําให้จิตใจของสัตว์โลกหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ถ้าสัตว์โลกไม่น้อมเอาเข้ามาสู่ใจ ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระรัตนาไตรพระรัตนาไตรภายนอกเป็นเป็นเหมือนยาที่อยู่ภายนอกร่างกายต้องน้อมเอาเข้ามาสู่ภายในให้ปรากฏเป็นพุทธธรรมะสังฆะขึ้น ม, มาตอนนี้พุทธอยู่ข้างนอกในรูปแบบของพระพุทธรูปในรูปของพระพุทธประวัติธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ภายนอกในรูปแบบของหนังสือในรูปแบบของสื่อต่างๆและสังฆะที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังอยู่ภายนอกอยู่คืออยู่ในรูปแบบของพระเกจิอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรากราบไหว้บูชากันอยู่ ยังไม่ได้เป็นสาระที่พึ่งภายในใจของเราเราต้องน้อมเอาสาระทั้งสานี้เข้ามาสู่ใจของเราเหมือนกับเราเอาอยาเข้ามารับเข้ามาในร่างกายด้วยการรับประทานยาธรรมะเราก็ต้องรับประทานเหมือนกันพระรัตนตรเราก็ต้องรับประทานด้วยการศึกษาและการปฏิบัติ เรียกว่าปริยัติธรรมแปลว่าการศึกษาปฏิบัติธรรมแปลว่าการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกายวาจาใจของเราแล้วผลคือปฏิเวทคือพระสาระที่เพิ่งก็จะปรากฏขึ้นมาในใจดังที่สงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคตพอนำเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเกิดธรรมะขึ้นมาภายในใจเมื่อมีธรรมะก็จะเห็นพุทธะเพราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าและผู้ที่จะเห็นธรรมะได้ เห็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นสังฆะคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองดังนั้นถ้าได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมแล้วตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปก็ถือว่ามีสรณะเป็นที่พึ่งแล้วมีความแตกต่างกันในการป้องกันภัยต่างๆที่ไม่เท่ากัน พอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทพอเกิดปฏิเวทก็คือมีดวงตาเห็นธรรมได้รับประทานยาเข้าไปในใจใจก็จะเริ่มทำงานด้วยการรักษาความทุกข์ใจให้เบาบางลงไปจนกว่าจะหมดไปในที่สุด ถ้าตราบใดไม่หยุดการรับประทานยาเหมือนกับคนไข้ต้องรับประทานยาไปจนกว่าจะหายพอหายแล้วทีนี้ก็หยุดรับประทานยาได้พอหายจากทุกทั้งหมดแล้วพอถึงพระนิพพานแล้วก็หยุดการปฏิบัติได้ไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไปไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปเพราะ ใจได้หายจากความทุกข์ซึ่งเป็นโรคของใจอย่างถาวรแล้วนี่คือการสร้างสาระที่พึ่งต้องเอาเข้ามาในใจของเราต้องน้อมเข้ามาเรียกว่าโอปนาอิโกน้อมเอาเพระธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังเข้ามาปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นก็มีอยู่สามประการด้วยกัน ใหญ่ๆคือหนึ่งให้ทำบุญทั้งหลายให้ถึงพองสองให้ละบาปทั้งปวงเสียสามให้ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงเครื่องเศร้ามองทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธ นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติถ้ามีศรัทธาที่จะให้มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นมาภายในใจดังนั้นเบื้องต้นทมที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความศรัทธาต้องมีความเชื่อในพระรัตนตรยัยเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระ ทำคำสอนเชื่อในพระอริยสงสาวกความเชื่อนี้หมายความว่า อ, อย่างไรเช่นเชื่อพระพุทธเจ้านี้ก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบคือเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกเห็นความจริงที่ปุตุชนธรรมดา อย่างเรามองไม่เห็นกันคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยรรสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรร น, นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยพระ อ, องค์เองปกติแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้จะไม่มีความสามารถพอที่จะเห็นได้ด้วยตนเองนอกจากพระโพธิสัตว์ เช่นพระพุทธเจ้าของเราที่ได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติด้วยกันจนบุญบารมีนี้แก่กล้าพอที่จะทำให้พระพุทธเจ้าสามารถศึกษาและปฏิบัติได้ด้วยตนเองจนบรรลุธรรมขึ้นมาจงตัดสรุปธรรมขึ้นมา เป็นคนเดียวเท่านั้นในพระพุทธศาสนาที่จะสามารถทำได้นอกนั้นแล้วไม่มีบุญบา ร, รมีแก่กล้าพอแต่พอมีคนมาสอนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วคนที่ไม่มีบุญบา ร, รมีแก่กล้าพอก็จะสามารถมีดวงตาเห็นทำได้อย่างง่ายดายไม่จาเป็นต้องไปสร้างบุญบา ร, รมีเป็นกลับเป็นกัน เหมือนกับพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราพวกเราถือว่าโชคดีมีคนนาทางถ้าเราไม่มีคนนำทางเราจะไม่มีความสามารถที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันได้เลยนี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าและความโชคดีของพวกเรา ที่ได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนมีพระอริยสงสารโกคอยนำทางให้แก่พวกเราดังนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือศรัทธาความเชื่อเ mm hmm. ชื่อว่าผู้ที่นำทางให้แก่เรานี้เป็นคนตาดีไม่ใช่คนเป็นไม่ใช่เป็นคนตา บ, าบอดเป็นคนที่รู้จริงเห็นจริง เป็นคนที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นคนที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีใครอื่นที่จะสามารถทําได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองนี่คือศรัทธาความเชื่อที่เราต้องมีเพราะถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็จะไม่ ศึกษาเราก็จะไม่ปฏิบัติตามเหมือนกับถ้าเราไม่มีศรัทธาในหมอเราก็จะไม่ไปหาหมอให้เสียเวลาเพราะเราไม่เชื่อว่าหมอจะสามารถรักษาโรคของเราให้หายได้ไปหาหมอก็เสียเงินเสียเวลาเปล่าๆไปทาไมนี่คือถ้าไม่มีศรัทธาก็จะคิดอย่างนี้เช่นเดียวกับ คนที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะคิดเช่นเดียวกันว่าไปวัดทำไมไปทำบุญทำไมให้เสียเงินเสียทองเปล่าๆให้เสียเวลาเปล่าๆเอาเวลาเอาเงินนี้ไปเที่ยวหาความสุขกันดีกว่านี่คือคนที่ไม่มีศรัทธาจะคิดอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็ต้องพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ วิธีที่จะทำให้เกิดศรัทธาขึ้นได้นี้ก็คือต้องศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงหรือศึกษาจากคำสอนของผู้รู้จริงเห็นจริงที่ได้จารึกเอาไว้ในสื่อต่างๆเช่นศ <Nerd. S 2> ึกษาจากพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคาสอนของพระพทธเจ้าโดยตรงเราก็ต้องศึกษาพระไตรปิฎก ถ้าเราศึกษาพระไตรปิฎกแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนที่มีอำนาจมากสามารถโน้มน้าจิตใจของคนที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาขึ้นมาได้ถ้าเราไม่สามารถศึกษาจากพระไตรปิฎกได้ก็ให้ศึกษาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆ พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราได้ไปศึกษาจากท่านได้ยินได้ฟังทำจากท่านหรือได้อ่านหนังสือของท่านเราก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาได้เพราะสิ่งที่ท่านสอนนี้เป็นความจริงล้วนๆท่านไม่ได้สอนด้วยความลังเลสงสัยท่านจะบอกว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะ ปฏิบัติแล้วจะได้อย่างนี้ได้อย่างนี้นะเหมือนกับเราเรียนหนังสือที่โรงเรียนอาจารย์เขาสอนด้วยความมั่นใจสอนว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะแล้วจะได้อย่างนี้อย่างนี้คนก็เลยมีศรัทธาไปเรียนหนังสือกันถ้าไปเรียนกับคนที่ไม่มีความมั่นใจก็จะสอนแบบไม่แน่ใจคนฟังก็จะไม่แน่ใจไม่เข้าใจ ก็จะหมดศรัทธาไม่เกิดศรัทธาขึ้นมาดังนั้นถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพรอพระเจ้าได้ยินได้ฟังถ้าเราฟังแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจก็แสดงว่าผู้สอนนี้ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงถ้าเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจหรือไม่เกิดศรัทธานี่ก็อาจจะเป็นเพราะผู้สอนไม่รู้จริงเห็นจริงก็ได้ หรืออาจจะเป็นพ่อเรามันโง่เขาเบาปัญญาไม่สามารถเข้าใจคำสอนของท่านก็ได้ก็มีอยู่สองกรณีด้วยกันในกรณีที่ฟังแล้วไม่เกิดศรัทธาเพราะเราอาจจะโง่เกินไปไม่มีความฉลาดพอที่จะเข้าใจถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ มีไว้สำหรับเวิยนยูชนเท่านั้นมีไว้สำหรับคนที่มีความฉลาดพอที่จะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็เป็นเหมือนบับวเหล่าที่สี่คือบัวใต้น้ำบัวที่จะไม่มีโอกาสจเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วเกิดศรัทธา เกิดมากเกิดน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะรับคาสอนไปให้เกิดความเข้าใจได้ถ้ามีความสามารถมากเกิดศรัทธามากก็อาจจะบรรลุธรรมในขณะที่ฟังเลยก็ได้และอาจจะขอบวชเลยก็ได้ในสมัยพระพุทธการมีคนได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เพียงครั้งเดียวก็บรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพระ อ, อริยเจ้าขึ้นมาแล้วก็ขอออกบวชเป็นพระภิกษุขึ้นมาเลยในขณะที่ฟังธรรมเสร็จแล้วเช่นพระอาอนอันยานโกนทัญญะเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา บรรลุเป็นพระ อ, อริยสงฆ์สาวกขึ้นมาเป็นองค์แรกแล้วก็ขอพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระภิกษุเลยนี่คืออนานาจของศรัทธาจะทำให้เรานี่สามารถที่จะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างไม่มีความลังเลสงสัยเคลือบแคงเลยเลยอะไรเลยดังนั้นถ้าเรายังไม่มีศรัทธาพอที่จะทำให้เราเกิด ศรัทธาพอที่จะทำให้เราศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพ่อพทธเจ้าอย่างจริงจังก็ขอให้เราพยายามอ่านหนังสือพระไตรปิฎกให้มากๆฟังเทศน์ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ต่างๆให้มากๆแล้วไม่นานก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเหมือนกับการปลูกต้นไม้ใหม่ๆ เราต้องพยายามลดน้ำให้ต้นไม้อยู่เรื่อยๆลดไปเรื่อยๆแล้วไม่นานต่อไปต้นไม้ก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาพอต้นไม้เป็นต้นใหญ่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำต้นไม้อีกต่อไปเพราะต้นไม้สามารถหาน้ำได้ด้วยตนเองความศรัทธาของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีศรัทธามากแล้วเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนรากฏมีดวงธรรมดวงดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเราก็จะเชื่ออย่างร้อยเปอร์เซนไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปและไม่จำเป็นจะต้องสร้างศรัทธาขึ้นใหม่เพราะมีศรัทธาเต็มเปลี่ยนอยู่ในหัวใจแล้ว มีแต่ความที่จะพยายามศึกษาและปฏิบัติให้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดให้ได้เท่านั้นเองนี่คือการสร้างสาระที่พึ่งทางใจตอนต้นต้องมีศรัทธาก่อนพอมีศรัทธาแล้วธรรมะที่เราจะมีตามมาก็คือวิริยะความขยนหมันเพียง พอเรามีศรัทธาแล้วที่นี่เราจะขยันละขยันฟังเทศขยันมาวัดขยันมาทําบุญขยันมารักษาสิ่งขยันมานั่งสมาธิขยันมาปฏิบัติธรรมพอศรัทธานี่แหละจะเป็นตัวนึงดูดความขยันหมั่นเพียรต่างๆให้ออกมาเมื่อเรามีความขยันหมั่นเพียรแล้ว เราก็จะมุ่งมั่นไปสู่การปฏิบัติธรรมอีกสามข้อด้วยกันที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดสาระที่เพิ่งทำใจขึ้นมาเมื่อมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็จะมีความขยันที่จะสร้างสติขึ้นมาเพราะเวลาศึกษาพระธรรมคำสอน พระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าให้สร้างสติขึ้นมาก่อนสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายทรงเปรียบสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายได้หมดสัตว์อื่นไม่มีรอยเท้าที่ใหญ่ใหญ่เท่ากับรอยเท้าของช้างฉันใดธรรมะทั้งปวง ก็จะไม่มีความสำคัญเท่ากับสติถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถพัฒนาธรรมะส่วนอื่นขึ้นมาได้เช่จนจะไม่สามารถพัฒนาสมาธิขึ้นมาได้ไม่สามารถพัฒนาปัญญาขึ้นมาได้ไม่สามารถพัฒนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ขึ้นมาได้ต้องมีสติก่อน เหมือนกับเด็กนักเรียนเวลาไปโรงเรียนต้องเรียนกอไก่ขอไข่ก่อนต้องเรียนหนึ่งสองสาก่อนถ้าไม่เรียนกอไก่ขอไข่ไม่เรียนหนึ่งสองสสจะไม่สามารถอ่านหนังสือได้จะไม่สามารถคิดคำนวณเลขต่างๆได้ต้องมีกอไก่ขอไข่ต้องเรียนหนึ่งสองสาไปก่อนฉันใดผู้ที่ปรารถนาสาระนะที่พึ่งอันประเสริฐ ในใจให้มีเกิดขึ้นมาภายในใจก็จำเป็นต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนต้องเจริญสติอยู่เรื่อยๆทำได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไม่จำเป็นจะต้องมาวัดอยู่ที่ไหนก็ทำได้การเจริญสติเพราะสติอยู่ในใจของเราเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเราสามารถเจริญสติ ได้ตลอดเวลาเพราะการมีสติก็คือให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับการกระทาของเรานั่นเองเช่นเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ให้มีสติอยู่กับการกระทาเรากำลังนั่งเฉยๆฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเราก็มีสติอยู่กับการนั่งเฉยๆฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเราจะไม่ไปทำอย่างอื่น ไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จะไม่ไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้จะไม่ลุกเดินไปเดินมาจะไม่ขยับตัวทำนู่นทำนี่ถ้าทำแสดงว่าเราไม่มีสติอยู่กับการฟังถ้าไม่มีสติอยู่กับการฟังก็จะไม่ได้รับอนิสงส์ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเช่นมีความสงบ มีความเห็นที่ถูกต้องหายสงสัยในเรื่องต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่คือการเจริญสติขอให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเรากำลังทำอะไรให้อยู่กับการกระทำนั้นเช่นเรากำลังขับรถก็ให้ใจเราอยู่กับการขับรถ อย่าไปอยู่กับเรื่องงานเรื่องการที่บ้านก็ดีที่ทำงานก็ดีหรื อ, อยู่กับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ควรจะอยู่กับเรื่องขับรถอย่างเดียวให้เห็นถนนให้เห็นรถต่างๆที่อยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างหลังและอยู่ข้างค่านี่คือการมีสติให้มีสติอยู่อย่างนี้ให้รู้อยู่กับปัจจุบันเช่นเรากำลังเดินอยู่ก็ให้อยู่กับการเดิน อย่าไปอยู่กับเรื่องอื่นกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกำลังอาบน้าก็ให้อยู่กับการอาบน้ำกำลังหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผมกำลังใส่เสื้อผ้าก็ให้อยู่กับการใส่เสื้อผ้าคือไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนให้ใจอยู่ตรงนั้นกับร่างกายถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วใจจะไม่ลอยไปลอยมาเหมือนกับเรือ ถ้าเรือเราผูกไว้กับท่าหรือทอดสมอไว้เรือจะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำเรือจะจอดนิ่งอยู่กับที่ฉันใดการที่จะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้หรือการที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ใจต้องสงบนิ่งอยู่กับที่ก่อนเช่นเวลาฟังเทศฟังถามนี้ถ้าใจไม่นิ่ง ใจไปทําเรื่องนั้นทําเรื่องนี้ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เวลาที่ฝั่งนี้จะไม่เข้าใจเหมือนกับเวลาเทน้ำใส่แก้วแต่มือเราสัน่นมือเราไม่นิ่งมือเราสายไปสายมาเวลาเทน้ำเข้าไปมันก็จะไม่เข้าไปในแก้วนี่คือสติเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งที่พึงมีก่อนที่จะ ไปทำอย่างอื่นได้พอมีสติแล้วเวลาเรานั่งสมาธิจะกาหนดลมหายใจเข้าออกก็ดีจะบริกรรมพุทโธก็ดีใจก็จะไม่ไปไหนจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับพุทโธพุทโธถ้าอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เกิน5้านาทีใจก็สง บ, บได้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้ามีสติ คนบางคนนี้เวลาเขานั่งสมาธิเขานั่งไม่นานจิตเขาก็รวมลงได้เพราะเขามีสมาธิเขามีสติมาอยู่แล้วบางคนปฏิบัติเป็นปีเป็นสิบปีเป็น20สปีแต่ไม่จิตไม่รวมลงเลยก็เพราะไม่มีสตินั่นเองเวลานั่งแล้วก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ได้อยู่กับลงไม่ได้อยู่กับพุโทโธ นั่งไปเป็นชั่วโมงก็ไม่สงบแต่คนที่มีสตินี้ถึงแม้จะไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยพอมีคนสอนบวิธีให้นั่งสมาธิแล้วลองนั่งดูห้านาทีจิตก็ลวมลงได้มีเกิดขึ้นแล้วมีคนเคยเป็นอย่างนี้แล้วมาอันนี้อยู่ที่สติคนบางคนนี้เคยพัฒนา เคยเจริญสติมาหลายภพหลายชาติแล้วสตินี้ไม่หายไปเวลาเราตายไปสตินี้อยู่ในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายไปกับใจพอใจไปเกิดใหม่ก็ยังมีสติเหมือนเดิมอยู่พอมานั่งทำสมาธิก็จะทำจิตให้สงบได้เลยเหมือนกับคนที่เรียนหนังสือเก่งเลื่อเรียนหนังสือสูงๆได้นี่ แสดงว่ามีสติมากกว่าคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเพราะคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเวลาฟังครูสอนจะไม่เข้าใจเพราะใจไม่ได้อยู่กับการฟังนั่นเองใจจะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอเวลาสอบก็สอบไม่ได้เพราะจาไม่ได้ว่าครูสอนอะไรไว้บ้างเพราะไม่ได้ยินนั่นเองได้ยินแต่หูแต่ใจไม่ได้ยินใจมัวแต่ไปคิดถึงของเล่นของ เรืองเที่ยวเรื่องเรืองกินเรื่องสนุกสนานเฮฮาเนี่ยดังนั้นนักเรียนจึงมีความสามารถต่างกันนักเรียนที่เรียนเก่งนี้แสดงว่ามีสติมากนักเรียนที่เรียนไม่เก่งนี้ถือว่ามีสติน้อยแล้วยิ่งถ้าไม่มีสติแบบเป็นคนเสียสตินี้ก็เรียนไม่ได้เลยเช่นเด็กปัญญาอ่อนนี้เขาไม่มีสติพอที่จะไปเรียนตามโรงเรียนปกติได้ เพราะชาติก่อนเขาไม่สนใจต่อการสร้างสตินั่นเองชอบปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์จะนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่สนใจว่าผิดถูกดีชั่วยอย่างไรทำไปแล้วก็เกิดโทษเกิดปัญหาขึ้นมาทำให้เกิดมีอารมณ์ไม่ดีทำให้เสีย อ, อกเสียใจทำให้ทุกข์ทำให้เครียดทำให้กลายเป็นคนบ้าไป เพราะไม่รักษาสติกันนั่นเองนี่คือความสำคัญของสติคนที่ไม่มีสตินี้ไม่สามารถที่จะมาวัดในวันนี้ได้ต้องไปอยู่ตามโร ง, งพยาบาลรักษาคนเสียสติหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องถูกขังไว้ในบ้านเพราะถ้าปล่อยให้ไปนอกบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นอันตรายกับตัวเองเดินไปไหนมาไหนก็จะไม่รู้ว่ากำลังอยู่ ที่ไหนกำลังทำอะไรเดินวนถนนก็ไม่รู้ว่ามีภัยอย่างไรหรือไม่นี่คือปัญหาของคนที่ไม่มีสติหรือมีสติน้อยจะไม่สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามดังนั้นขอให้เราพยายามพัฒนาสติสร้างสติกันขึ้นมา ด้วยการให้มีความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันให้รู้สึกอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเรากําลังทําอะไรอยู่ให้อยู่กับเหตุการณ์นั้นอย่าไปทําอย่างอื่นอย่าไปคิดอย่างอื่นให้อยู่กับเหตุการณ์นั้นอย่างเดียวกําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกําลังเขียนหนังสือก็ให้อยู่กับการเขียนหนังสือถ้ามีสติอยู่กับงานการที่เราทําอยู่แล้วจะไม่ผิดพลาด จะทำได้อย่างถูกต้องถ้าไม่มีสติทำแล้วจะผิดพลาดและเกิดความเสียหายได้เช่นเวลาเมาแล้วไปขับรถอย่างนี้เป็นต้นเวลาเมานี้ก็แสดงว่าไม่มีสติหรือมีสติไม่สมประกอบมีสติไม่พอเพียงต่อการขับรถให้ปลอดภัยอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการจากคนขับเผลอสติ ไม่ว่าจะเผลอสติด้วยการเสพชรายาเมาก็ดีหรือเผลอสติในด้วยการคุยโทรศัพท์มือถือกันพอเวลาคุยโทรศัพท์แล้วก็จะไม่มีสติอยู่กับการขับรถพอมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่คือธรรมะที่พวกเรา ต้องพยายามเจริญกันให้มากมมีศรัทธาแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรที่จะเจริญสติพอมีสติแล้วต่อไปสมาธิก็มาอย่างง่ายดายปัญญาก็มาอย่างง่ายดายการหลุดพ้นการบรรลุ ธ, ธรรมก็จะตามมาอย่างง่ายดายการสร้างสารณะที่พึ่งทางใจก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย นี่คือวิธีการสร้างสรารณะอยู่ตรงนี้อยู่ที่การมีศรัทธามีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรมีสติมีสมาธิและมีปัญญาถ้าท่านต้องการมีสรารณะที่พึ่งทางใจก็ขอให้พยายามสร้างคุณธรรมทั้งห้าประการนี้ให้เกิดขึ้นมาเถิดแล้วจะมีสรารณะที่พึ่งทางใจอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไห้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญให้มีความแค้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ